Thank you. กาคนเราหรือผู้ให้ถูกให้ครุมมากนะคือชีวิงคนเรามันก็ทำแค่สองอย่างเท่านั้นเลยนะก็คือหลับกระตื่นหลังจากหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็พอตื่นแล้วก็หลับคนเราหากอายุหกสิบปีเนี่ยยี่สิบปีมันก็หมดไปจากการหลับอีกสี่สิบปีก็ อยู่ในภาวะตื่นนะนที่เราทํำอะไรต่ออะไรมากมายก็ทําในภาวะที่ตื่นนั่นแหละตอนนี้หลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลับเมื่อเรานอนเรานอนก็เพื่อที่จะหลับนะต่อเมื่อลุกขึ้นมานะเราจึงจะทำโน่นทํานี่เพราะว่ามันตื่นละ แต่บางครั้งเนี่ยนะถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้นอนนะเราก็หลับนะแม้ว่าจะอยู่ในอิเลียบทนั่งนะก็อาจจะหลับได้ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะก็จะพล่อยหลับมันมีคนบางประเภทว่าถ้านิ่งเนะี่ยเป็นหลับนะ ตอนเมื่อขยับยึงตื่นหมายความว่าพอนิ่งเช่นไม่พูดไม่ได้คุยอะไรไม่ได้ทำแล้วก็จะหลับถมีคนมาพะเนี่ยนะถ้าไม่ได้คุยไม่ได้สนทนาเนี่ยให้อยู่นิ่งๆนะแม้แค่ฟังเฉยๆก็หลับไปแล้วอันนี้เรียกว่าอันนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นตื่น แต่ก็ยังดีกว่าคนบางประเภทนะเขาบางทีเขาพูดแบบแดกดันนะเราจะเคยได้ยินอนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกหมายความว่าตืมาม่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กินอย่างเดียวเลยนะอ่ะเขาก็เลยพูดแดกดันน้องว่าเนี่ยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนะแต่พวกเรานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะถ้าเป็นงั้นคงจะไม่มาที่นี่เพราะที่นี่ให้การกิน มันไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าทําได้พร่ําเพรื่อเท่าไหร่มาหนี่ก็ก็ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่กินอยู่แล้วนะแต่ถึงมาก็อาจจะอยู่ในประเภทนะที่เพิ่งพูดนะคือว่านิ่งเป็นหลับนะต่อเมื่อขยับจึงตื่นอย่างเช่นว่าพอพอไม่ได้ทําวัดนะพอไม่ได้สนทนาพอไม่ได้เดินจงกรม เพียงแค่น่งนิ่งๆ น, นะนั่งฟังทมนั่งไปได้ห้าทีสมาธิก็พลอยหลับแล้วต่อเมื่อขยับนะขยับตัวลุกขึ้นสร้างจังหวะเดินจงกรมถึงค่อยตื่นแต่บางทีแม้จะนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมก็หลับได้นะอันนี้พวกเราก็คงประสบอันนี้เพราะว่าถีนมิทธ a นะ ความง่วงอาะาัลโหมันครอบงำอันนี้เป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันมันไม่มีสิ่งเร้าเนะีโดยเพราะคนที่ออกมาจากบ้านเคยอยู่เมืองแล้วมาอยู่วัดในบ้านในเมืองมันมีนมแสงสีเสียงคอยกระตุ้นเราจิตใจให้ตื่นบางทีเติมกาแฟเติมชาก็ไปด้วยนะ ติดกาแฟาก็เลยตื่นแต่พอมาวัดแสงสเสียงมันก็มีน้อย <c oughs> แล้วก็มันก็ซ้ำๆกันอย่างเช่นเสียงนี่ก็เสียงมแมลงเสียงมันไม่ได้กระตุ้นให้ตื่นเท่าไหร่โ <c oughs> ดยมีเสียงคุยเสียงดังภาพที่เห็นก็เป็นภาพซ้ำๆก็เขียวไปที่ไหนก็เขียว เขียวของใบไม้เขียวต้นไม้มันไม่มีมอะไรวุ่นวายแลวมันก็อยู่นิ่งๆไม่เหมือนภาพที่เราเห็นในเมืองมันมีรถแล่นขวักขว่ผู้คนเดินสีสันดูน่าสนใจแปลกหูแปลกตาแถมมีโทรทัศน์นะมีโทรศัพท์ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภาพเคลื่อนไหว แทบจะทุกวินาทีเลยเนะอันนี้กระตุ้นให้ใจมันตื่นนะพอมาปฏิบัติเนี่ยแม้จะยกมือสร้างจังหวะแม้เดินจงกรมแต่เพราะว่าให้ใจมันอยู่กับอารมณ์เดียวก็คือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใจมันก็ง่วงขึ้นมาเพราะมันถนัดกับการถูกปลุกถูกเร้าด้วยแสงสี ด้วยเสียงหรือด้วยภาษนาะอายตนะภายนอกที่แปลกใหม่แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยอ่ใจมันก็ปรับตัวได้ความงุนเงาหานอนความเบื่อหน่ายก็ลดลงเวลาปฏิบัติก็จะตื่นแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าพอไม่ปฏิบัติพอไม่ยกมือไม่สร้างจังหวะอยู่นิ่งๆนะ ไม่ทำอะไรเช่นนั่งฟังฟังคำบรรยายบางทีฟังไปได้ห้าทีสมาวทีก็หลับแล้วนะทั้งที่ยังไม่มืดเลยบางทีหลับเอาตอนฟังธรรมก่อนชั้นก็มีนะก่อนชั้นนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งเอากลับมาตะบินทบาท ตอนมีเทบาก็ตื่นกระฉับกระเฉงแต่พอมันนั่งฟังนั่งฟังธรรมก่อนชั้น่ะไม่ถึงห้าทีเลยหลับซะละอันนี้เรียกว่านิ่งเป็นหลับนะขยับจึงตื่นอันนี้แสดงว่าการปฏิบัติเนี่ยมัน มันยังไม่ปลุกใจเราให้ตื่นมากเพียงพอเท่าหน้าที่การปฏิบัติที่นี้เนี่ยมันเน้นให้ปลุกใจให้ตื่นมันไม่เน้นที่ความสงบนะเปิดตามือเคลื่อนไหวเท้าก้าวเดินนะเพื่อปลุกให้เกิดความรู้สึกตัวให้เกิดความตื่นตัวขึ้นจริงถ้าปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะแม้จะนิ่งนะความรู้สึกตัวก็ยังคงอยู่ในจิตใจนะถึงแม้นิ่งนะ ก็ยังตื่นไม่หลับนะแต่ถ้าหลับนะทุกครั้งที่นิ่งนะแสดงว่าการปฏิบัติของเราอาจจะผิดก็ได้คือเราปฏิบัติไม่ได้มุ่งกระตุ้นให้เกิดความตื่นนะแต่ไปเอาความสงบพออยู่นิ่งๆก็หลับตาพอหลับตาก็ยิ่งง่วงเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าความรู้สึกตัวมันก็มีน้อยอยู่แล้ว ถ้าคนที่มีปัญหานี้เนี่ยนะเวลาง่วงอลองเปิดตาดูสักหน่อยนะมันก็จะช่วยทำให้แม้จะนิ่งนะก็ไม่ถึงกับหลับนะแต่ถ้านิ่งแล้วหลับเนี่ยนะอ่าไปปิดตาด้วยมันก็ยิ่งหลับเข้าไปใหญ่นะถินามิธาครอบงำบางคนปฏิบัติมาเป็นสิบปีเนี่ยนะก็ยังไม่หลุดจากวัตขันตอนนี้นะคือนิ่งเป็นหลับนะขยับจึงตื่นนะ อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปฏิบัติผิดก็ได้เพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกในใจไม่ต้องตื่นแม้ไม่ใช่ตื่นเฉพาะเวลาขยับเวลาเคลื่อนแม้แต่เวลานิ่งใจมันยังตื่นอยู่ความรู้สึกตัวมันก็ยังคงอยู่ในจิตใจมันไม่ใช่ว่าประเดียวปะดาวนะถ้าความรู้สึกตัวมันค้างอยู่ในจิตใจได้ประเดียวปะดาวพอไม่ขยับพอไม่ยกมือสร้างจังหวะนะ เพียแค่ฟังเฉยๆไม่ได้คเย่ยนขยับอะไรหลับแล้วอันนี้แสดงว่าอาจจะปฏิบัติผิดนะหรือว่าเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปคุ้นกับการถูกกระตุ้นบางคนเนี่ยทาอะไรแรงๆเร็วๆนะเดืดวเร็วนะทำอะไรแรงๆจิตมันก็จะห ย, ย, ยาบนะจิตหยาบนก็ต้องอาศัยการกระตุ้นที่แรง พอไม่มีการกระตุ้นที่แรงเช่นพออยู่นิ่งๆไม่เคยเลื่อนขยับมือก็มันก็จะพลอยหลับได้ง่ายนคล้ายๆกับเท้าเนี่ยเท้าถ้ามันด้านเนี่ยบางทีสัมผัสอะไรก็ไม่รู้สึกนะเท้าที่ด้านเนี่ยเวลาเหยียบบางทีเหยียบมแมลงไม่รู้สึกเลยนะเพราะว่ามันด้านเนี่ยไม่เหมือนเท้าคนเท้าที่มันที่มันบางพอเหยียบมดเหยียบมแมลงรู้ตัวเลยนะคือมันไว ถ้าจิตที่ยามเนี่ยนะมันจะหลับง่ายนะเพราะว่ามีเสียงอะไรแม้แต่งเสียงแม้แต่งมีเสียงบรรยายกระทบหูก็ยังไม่สามารถกระตุ้นใจให้ตื่นได้เนะี่ยอันนี้เพราะว่าใจมันใจมันหยาบนะเหมือนกับหนังเท้าที่มันหนานะเหยียบก้อนหินหรือว่าเหยียบใบไม้ก็ยังไม่รับรู้เลยนะว่าเหยียบอยูนะ่นี่ก็ต้องระวังมันนะเพราะว่าถ้าใจเราหยาบแล้วเนี่ย นะมันก็จะต้องคอยอาศัยสิ่งแรงๆมากระตุ้นนะถ้าไม่แล้วเนี่ยมันก็จะง่วงหลับนะอันนี้เรียกว่านิ่งเป็นหลับนะขยับนะจึงตื่นนะสิ่งที่ควรจะพัฒนาคือว่าเออนิ่งก็ตื่นนะหลับก็ตื่นนะแม้จะอยู่เฉยๆไม่ยกมือสร้างจังหวะนะ ก็ยังตื่นเพราะว่ามันเป็นอ น, นิสงค์จากการที่ตอนที่เคยเื่อนขยับเนี่ยนะสร้างความรู้สึกตัวไวจ้จิตและกายมันตื่นตัวนะแล้วก็มันก็คงอยู่ในจิตใจจิตก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ถึงแม่ไม่ขยับถึงแม่หลับตาถึงแม่นิ่งก็ยัง ตื่นนะเหมือนกับแบตเตอรี่นะที่เก็บไฟจากโซล่าเซลล์นะฐานหรือแบตเตอรี่เนี่ยนะที่เก็บไฟจากโซล่าเซลล์เนี่ยนะถ้าเป็นฐานที่ดีนะแม้ว่าจะมืดแล้วมันก็ยังมีไฟอยู่นะเพราะว่ามันเก็บไฟได้มันจุไฟได้ได้นานมันมีไฟฉายนะเดี๋ยวนี้ไฟฉายที่เกิดจากที่ทำจากโซล่าเซลล์ ถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะหลังจากที่ตากแดดเอาไว้นะทั้งวันเนี่ยกลางค่ำกลางคืนมันก็ยังมีไฟเปิดไฟก็สว่างแต่ถ้าโซลารเซลล์แต่ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะไฟฉายนั้นเนี่ยนะตากแดดได้เป็นเป็นวันแต่พอตกค่ำ แค่สองสามชั่วโมงนี่มันก็ไม่มีไฟเหลือแล้วนะมันเสื่อมเร็วนะอันนี้รวมถึงโซลาเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้กับโซลาเซลล์ที่วางไว้บนหลังคาเนี่ยเหมือนกันนะจิตของนักปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่เหมือนแบตเตอรี่นะคือแบตเตอรีย่ยิ่งใช้นานมันยิ่งเสื่อมมันเก็บเก็บความ เก็บไฟฟ้าได้ได้น้อยลงแต่เจงกับผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกนะยิ่งปฏิบัตินานยิ่งอายุมากเนี่ยจตมันยิ่งมีความรู้สึกตัวได้ได้นานนะแม้จะนิ่งก็ยังตื่นนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยนะหรือปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยนะถ้าไม่ขยับเมื่อไรเนี่ย นะความความตื่นตัวเนี่ยที่มันที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเสื่อมเร็วนะพอนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่คุยอะไรไม่เคยืนขยับแลนะแถมหลับตาด้วยเนี่ยนะความความตื่นมันก็จะค่อยหายไปอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็กลายเป็นหลับผ่อยหลับหรือสับสงบอัะนี้เนี่ยเราต้อง ก้าวข้ามนะนักปฏิบัติเนี่ยจากประเภทว่านิ่งเป็นหลับขยับจึงตื่นเนี่ยมาเป็นว่านิ่งก็ตื่นนะถึงแม้หลับตาแต่ใจยังตื่นนิ่งก็ตื่นนะขยับก็ตื่นนะคราวนี้ตื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลว่ารู้สึกตัวนะอันนี้ต้องต้องต้องขยายความหน่อยเพราะว่าบางคนตื่นได้ว่า ใจลอยหลงฟุ้งปรุงแต่งอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ายังไม่ใช่รู้สึกตัวหรือว่าไม่ใช่ตื่นตัวนะเต็มที่นะรู้สึกตัวในพุทธศาสนาเนี่ยหรือในการปฏิบัติมันไม่เหมือนกับรู้สึกตัวในทางการแพทยนะ์ทางการแพทย์เนี่ยถ้าลุกขึ้นมาขยีงขยับได้เนี่ยนะฟังคนพูดรู้เรื่องตอบโต้ได้นี่ หรือทำกิจการงานต่างได้เนี่ยเช่นขับรถนะล้างจานนี่เขาเรียกว่ารู้สึกตัวแล้วนะถ้าหากว่าหลับเมาสลบหรือว่าอยู่ในฤทธิ์ของยาชาเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าไม่รู้สึกตัวตื่นยากสลบนะถึงจะเรียกว่าอ้าวเขารู้ตัวแล้วแต่รู้ตัวในพุทธศาสนาเนี่ยนะหรือในในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ทำอะไรได้ฟัง ฟังคนพูดรู้เรื่องตัวตอบได้แต่ว่าอาจจะหลงก็ได้นะขับรถได้แต่ใจลอยเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าหลงได้เหมือนกันเรียกไม่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวกินข้าวเนี่ยหลายคนกินข้าวโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เพลินกับรสชาติหรือว่ากินไปแต่ใจลอยใจลอยอันนี้เราไม่รู้ตัวนะจริงๆก็รู้ตัวหรอกแต่มันไม่ใช่รู้ตัวเต็มร้อยนะอาจจะรู้ตัวสักห้าสบหกสิเปอร์เซ็ต เราก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ากำลังกินอยู่นะขับรถก็อาจจะลืมตัวไปชั่วขณะว่ากําลังขับรถนะบางคนนั่งนะนั่งแต่ว่าลืมตัวพอเห็นรถเนี่ยกําลังจะกําลังจะชนหมาชนเด็กที่วิ่งตัดหน้าทั้งน้นที่เป็นคนนั่งแท้ๆก็ยังเหยียบเบรกเลยเนี่ยนะคนนั่งที่บางทีเหยียบเบรกนะพอเห็นเหตุการณ์ทับขันอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะ รับรู้ทุกอย่างนะแต่ว่ายังไม่มีสติเต็ม้ไม่มีสติหรือความรู้สึกตัวเต็มร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ า, ารู้ตัวนะทำอะไรได้เนี่ยก็ไม่แปลวรู้ตัวคนที่ละเมอเนี่ยนะคนที่ระเมอเขาทำอะไรได้หลายอย่างนะเขาสามารถจะเดินได้ถูกนะบางทีเดินเปิดประตูได้ นะเดี๋ยวนี้มันพบมีอาการใหม่นะเกิดขึ้นนะคือรเมอร์แชทนะแชทนี่มันแปลว่าการเขียนโต้อตอบทางอินเทอร์เน็ตการเขียนโต้อตอบอผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เขาพมีคนหลายคนเนี่ยนะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทั้งที่หลับอยู่นะแล้วก็เขียนข้อความตอบโต้นะโทรศัพท์มือถือทางไลน์ก็ดี facebook ก็ดี ส่วนใหญ่เกิดเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนเช่นพอมีเมสเซจมีข้อความเข้ามามันก็มาปิ้งปิ้งนี่ก็ตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่าตื่นก็ไม่ใช่เรียกว่าลุกดีกว่านะเพราะว่าตัวเองหลับนละเมอนะแต่ว่าเขียนข้อความได้นะไอ้คนที่ละเมอเนี่ยตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาเขาตื่นนะแต่คนรอบข้างเห็นเลยนะว่าละเมอคนที่ละเมอหลายคนก็บอกเขาเห็นภาพชัดนะ แต่ภาพที่ชัดเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งนะเหมือนกับเวลาเราฝันเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยเราก็เห็นภาพชัดนะคนฝันเนี่ยไม่รู้หรอกนะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าที่ฝันเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งบางทีก็ร้องห่มร้องไห้บางทีก็โกรธนะเอาจริงเอาจังบางทีก็เสียใจนะเมื่อเห็นคนรักตายจากในฝันพอตื่นขึ้นมานะก็ดีใจนะว่าโอ้มันเป็นแค่ความฝันไม่ใช่ความจริง แต่เผลอร้องไห้ไปแล้วในฝันตื่นขึ้นมายัางสะอึกสะอื้นเลยเนะีอันนี้ก็เลยว่าแม้หลับอยู่เนี่ยก็ยังทําอะไรได้นะเพราะว่ามันเห็นภาพเราเรียกคนอย่างนี้ว่าละเมอนาะแต่ว่าคนละเมอเนี่ยมันไม่ใช่ละเมอเฉพาะหลับนะถึงแม้ตื่นมาก็ยังจะเรียกว่าละเมอได้เหมือนกันนะถ้าว่าทําโดยไม่รู้ตัวนะเพียงแต่ว่าคนที่ตื่นมา แล้วเผลอทําโน่นทํานี่ไปโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวชั่วคราวก็จะไปอยู่ในโลกของความฝันความคิดปรุงแต่งฝันกลางวันหลงไปในอดีตลอยไปอนาคตแล้วก็กลับมาสู่ปัจจุบันแล้วก็กลับไปใหม่ เ, เวลาเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยนะคิดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันจิตมันก็อาจจะจมอยู่ในเรื่องนั้นสักพักแล้วออกมา ออกมาเดยวกลับเข้าไปใหม่นะกำลังใจลอยขณะที่บรรยายทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันลืมตัวแล้วนะแต่พอได้ยินคาพูดบางคำอะสะดุดใจหรือได้ยินเสียงหม า, หาเห่าอากลับมากลับมาสู่ความจริงกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วก็กลับไปใหม่นะอันนี้เรียกว่าละเมอละเมอหรือหลงเนี่ยสักสี่สิเอร์เ็นตนะไม่เหมือนคนที่ละเมออันนั้นละเมอเต็มร้อยเลยคือหลับอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าแมกตื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ตัวนะมันต้องทําให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาขณะที่ตื่นด้วยอันนี้ก็เป็นต้เรียกว่าต้องพัฒนาต้องก้าวจากประเภทว่านิ่งก็ตื่นขยับก็ตื่นเนี่ยพัฒนามาสู่ว่านิ่งก็รู้ตัวขยับก็รู้ตัวนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเรียกว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ อานะคนที่ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยนะมันก็จะตกอยู่ในขั้นแรกๆนะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกอะไรเงี้ยหรือขยับเป็นกินนะหรือไม่ก็อาจจะพัฒนามาสู่ขั้นว่านิ่งเป็นหลับนะขยับจริงตื่นนะอันนี้คือคนที่ยังไม่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติก็จริงแต่ปฏิบัติไม่ถูกนะนะ พอปไปไว้ถูนี่ก็มันก็ลดตัวแต่เฉพาะเวลาขยับยกมือสร้างจังหวะเวลาเดินแต่พอเรานั่งนิ่งๆไม่พูดไม่คุยกับใครนไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะแค่ฟังเฉยๆก็หลับไปละเนี่ยอันนี้เรียกว่านิ่งเป็นหลับเนี่ยขยับจึงตื่นอเราก็ต้องพัฒนาอีเพราะประเภว่านิ่งก็ตื่นขยับก็ตื่นนี่ยตอนเมื่อถึงเวลานอนอ่ะถึงค่อยหลับอ่าอันนี้ เป็นธรรมดาเพราะคนเราก็ต้องการการหลับนะร่างกายมันเรียกร้องให้หลับเพราะการหลับคือการพักผ่อนการหลับก็คือการที่สมองมันมันสะาสมาข้อมูลต่างๆนะให้เข้าที่เข้าทางแต่ว่าถ้าไม่นอนหรือไม่ใช่เวลานอนจะเป็นกลางวันนะหรือแม้แต่เช้ามืดนะเราก็ตื่นมาเช้ามืดนะ ตีสี 4, ่ตีห้าแมจะนิ่งนหลังจากสวดมนต์ส่วนมนต์นี่ตื่นอยู่แล้วนะพอสวดมนต์เสร็จนิ่งฟังคำบรรยายเอาจิตก็ยังตื่นนแม้ว่าจะนิ่งตอนไหนถ้าไม่ใช่เวลานอนอ่ะจิตก็ตื่นดูเป็นแต่ว่าร่างกายมันเพลียอันนี้ร่างกายเพลียหรือป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องการการพักผ่อนอันนี้ก็หลับแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็นะแม้จะ แม้จะนิ่งก็ยังตื่นไดนะ้เวลาขยับก็ตื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าขยับนี่ก็กลับง่วงนะเดินจง ก, กลมสร้างจังหวะทำไปสักพักก็ง่วงแล้วมันง่วงมันเกิดจากสองแบบนะเกิดจากเพราะร่างกายมันเพลียอันนี้ก็จำเป็นต้องพักผ่อนแลวเราควรจะพักผ่อนให้เต็มที่มันจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าในตอนกลางวันว่าฉันต้องหลับนะ พอแบบการความอยากที่จะหลําในตอนกลางวันมันเกิดยากจิตนะมันมันหาเหตุมันไม่อยากปฏิบัตินะหรือว่าเกิดความเบื่อหน่ายหรือพราะไม่มีสิ่งเร้านะพอไม่มีสิ่งเรานี่มันก็จะง่วงนะหรือว่าไม่มีไม่มีสิ่งกระตุ้นมากเพียงพอเพราะว่าคุ้นเคยกับการกระตุ้น จากชีวิตในเมืองนอะเจตที่มันต้องตื่นเพราะมีสิ่งกระตุ้นก็ต้องมีสิ่งกระตุ้นห ย, ยาบๆนี่เป็นจิตที่ไม่พัฒนานและต่อไปเนี่ยมันจะใช้มันจะต้องการสิ่งที่หยาบกว่าเดิมมากระตุ้นมากขึ้นเหมือนคนที่กระตุ้นด้วยกาแฟเนี่ยนะจึงตื่นเนี่ยนานไปนานไปมันต้องกินกาแฟในปริมาณที่สูงขึ้น ถ้ากินเท่าเดิมเช่นกินครึ่งแก้วเนี่ยมันก็จะง่วงหล่ะมันต้องกินจากเดิมครึ่งแก้วก็เป็นหนึ่งแก้วจากหนึ่งแก้วเป็นสองแก้วสามแก้วถึงจะตื่นทํางานได้นะไม่ใช่ทํางานกลางคืนนะแม้กระทั่งกลางวันบุหรี่ก็เหมือนกันนะบางคนก็อาศัยบุหรี่เป็นตัวกระตุ้นนห้แต่ก็อย่างที่เรารู้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งสูบมากเท่าไหร่ยิ่งสูบมากเท่านั้นสูบนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสูบมากเท่านั้นนะ จากเวลาครึ่งซองก็เป็นหนึ่งซองสองซองสามซองไม่มีเขามาลดนะ เ, พาเพราะว่าทน้าที่ผลที่เกิดขึ้นเท่าเดิมก็คือว่าเกิดความปกติกับคืนมาแต่ต้องใช้ปริมาณบุหรี่ที่สูงขึ้นก็เหมือนกับเหล้านะเหมือนกันต้องใช้ปริมาณที่สูงขึ้นอันนี้คือจิตที่มันจิตหรือกายที่มันหยาบ แต่ถ้าเราปฏิบัติให้จิตเราเราเมี่อละไมเนี่ยนะแม้ความรู้สึกแม้สิ่งกระตุ้นนิดหน่อยมันก็ตื่นแล้วยางที่ทำความรู้สึกตัวนะทีแรกเนี่ยจะรู้สึกตัวได้ต้องใช้การกระตุ้นที่หยาบเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแต่พอมันรู้สึกตัวได้ไวขึ้นจิตมันไวขึ้นจิตมันปนนี่ขึ้นนะลมหายใจก็พอละแค่อยู่กับลมหายใจก็ตื่นละ หรือว่ากระพิบตาคืนน้ำลายเนี่ยมันก็มากพอที่ทำให้จิตตื่นกลับมารู้สึกตัวไอ้ที่เผลอคิดโน่นคิดนี่ไปอ่พอมีลมพอรับรู้มีพอรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกมันก็เหมือนกับว่าลมหายใจมันส่งความรู้สึกไปไ ป, ไปสะกิดจิตนะไปสะกิดจิตให้ที่เคยฟุ้งให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว หรือว่าใจลอยแบบแค่แต่ว่ากระพริบน้ํากระพริบตาคือน้ําลายเนี่ยความรู้สึกมันก็มากพอที่จะสะกิจใจที่หลงหรือจิตที่มันไม่รู้สึกตัวให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันเป็นนีตนะแม้จะนิ่งนะแม้จะนิ่งนิ่งมันก็ยังตื่นยังรู้สึกตัวได้ยิ่งมีเสียงผู้เสียงบรรยายมากระทบหูเนี่ยนะไม่ใช่เงียบสนิทเนี่ยมันก็ ก็ยังตื่นอยู่สนใจติดตามว่าได้ยินมาว่าอย่างไรนะไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปโน่นไปนี่นะนี่ขนาดถ้ามีเสียงได้ยินเสียงมากระทบหูนี่ก็ยังก็ยังหลับเนี่ยแสดงว่าจิตเรามันไม่ค่อยปั่นีนเท่าไหร่ความรู้สึกตัวยังไม่มากพอที่จะกระตุ้นให้จิตตื่นขึ้นมาแต่แล้วก็ตามถ้ารู้สึกว่านิ่งๆแล้วมันหลับนะอ้าวก็ขยับซะ ยกมือสร้างจังหวะ ก, ก็ได้หรือว่าไม่ต้องถึงยกมือสร้างจังหวะแค่พลิกมือไปพลิกมือมากระเด็กนิ้วนะลองใช้อารมณ์ที่มันเบาๆบ้างถ้าใช้แต่อารมณ์หยาบๆเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินย่างกลมเนี่ยจิตมันจะคุ้นกับอารมณ์ที่หยาบจิตมันจะก็คุ้นกับผัสสะที่หยาบสิ่งกระตุ้นที่หยาบพอเจอสิ่งกระตุ้นที่มันเบาๆนี่มันก็หลับนะแล้ลองใช้การ กระตุ้นเบาๆกระดิกนิ้วนะพลิกมือไปพลิกมือมานะคนที่ปฏิบัติและก้าวหน้าเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะพร้อมจะตื่นพร้อมจะเกิดขึ้นมาทันทีที่แค่มีความรู้สึกเบาๆส ก, กิด จ, นะจากเดิมจิตมันหลงมันลอยมันฟุ้งเอมีความรู้สึกตัวเบาๆส ก, กิดเช่นนะมือนิ้วมือที่กระดิกไปมา ลมหายใจที่เข้าและออกท่า น, นี้มันจะส่งความรู้สึกไปสกิดใจถ้าใจละเอียดประณีตเนี่ยสกิดเบาๆก็รู้แล้วแต่ถ้าใจหยาบเนี่ยสกิดต้องใช้แรงกระตุ้นหนักๆเหมือนกับอย่างที่เปรีย่ยนเหมือนกับหนังเท้าเนี่ยถ้าหนังเท้ามันหน า, นานเนี่ยอะไรมามามีเอามือมีมือมาลูบเท้าทีไม่รู้สึกเลยนะต้องหยิกเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ย มันมีมือมาหยิกนะที่เท้าอันนี้เพราะว่าจิตมันได้มันเรียกว่าหนังมันเรียกว่าเท้ามันหนาต้องอาศัยแรงแรงแรงมาก็ ม, ก ร, มกระทบเนี่ยจิตก็เหมือนกันถ้าจิตประนีตเนี่ยมีอะไรเบาบางมากระทบเอาก็ตื่นหรือมีอะไรมาสกิดเนี่ยใช้่ากระทบคงไม่ถูกนะสะกิดเนี่ยนะ อันนี้พอจิตเออ่มันมีความพร้อมจะรู้สึกตัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวเก็บสะสมไว้นะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่นะมันเก็บไฟไ ด, ได้ได้ข้ามคืนนะเดี๋ยวนี้แบตเตอรีด่ดีๆนี่โอ้มันติดเก็บไฟได้ข้ามวันข้ามข้า ม, ามอาทิตย์ก็มีนะในช่วงหน้าฝนนะ แดดออกแค่นิดแค่วันสองวันเนี่ยแต่ว่าไฟใช้ได้เนี่เป็นอาทิตย์ให้ใจเราเป็นอย่างเงี้ยนะคือว่าแม้เราจะสร้างความรู้สึกตัวแค่เดินโยกลมสร้างจังหวะแค่สองสามชั่วโมงแต่ความรู้สึกตัวนี่มันอยู่กับใจนะแม้จะนั่งฟังคาบรรยายนิ่งๆก็ยังรู้สึกตัวนะไม่ใช่แค่ตื่นยังรู้สึกตัวด้วย อันนี้เรว่จิตเนี่ยมันเก็บความรู้สึกตัวหรือว่าจิตมันมีความรู้สึกตัวได้ได้ดีนะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดนะความก้าวหนางการปฏิบัตินะว่าจิตเราเนี่ยมันรู้สึกตัวได้ได้ได้เร็วได้ดีแค่ไหนหรือว่าต้องอาศัยการกระตุ้นอยู่บ่อยๆนะถ้านิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นหลับนะต้องขยับมือนะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้นะพัฒนาให้ได้นะจาก นิ่งเป็นหลับนะขยับจึงตื่นมาเป็นว่านิ่งก็ตื่นนะขยับก็ตื่นรวมทั้งว่านิ่งก็รู้สึกตัวนะขยับก็รู้สึกตัวนะอ่ะละคำนี้เพื่อนเท่า น, นี้กลับะ